ต่อ 1าาณ18 กุมภาพันธ์ 2540ๆ21ณพุทธสถาน อาจเจริญธรรมสโลกของบรรดาครูวันสมนาครูทั้งหลาย ซึ่งได้ครูแปลว่าอะไรกันครูก็มาจากภาษาบรีว่าครูครู นั่นแต่โดยความหมายนั้นครูก็คือผู้ที่ครูผู้ครู เป็นพระบรมครูที่ยิ่ง 6,000 เขาก็เรื่องของเขาเราก็เป็นคนในโลกรู้ 6,000 ล้าน ใช้ปัญญาของเราเป็นเครื่องวินิจฉัยเป็น ถ้าเราเชื่อกรรมเชื่อวิบากน่ะเชื่อกรรมสตะกันยัง ก็ล้วนเป็นๆเอาจริงเอาจังเพราะผู้ใดที่เอาจริงเอา มันก็เหลาะๆแล่ๆตาม ของมนุษย์แต่ละคนมันเป็นตัวเลือกนี่เห็น คนที่เห็นว่าสําคัญสําคัญอย่างเนี้ยเป็นประโยชน์คุณ <ๆ S 1> ฟังแล้วก็เอาไปทําฟังแล้วก็ อําเภอเอาเราเลือกเองเราสมัครใจเองถ้าผมตัดสินเอาเองได้แล้วมันก็เป็นของเราไปสิ่งนี้ยั่งยืนทํานี้ ไม่เป็นอื่นเป็นอื่นอาตมาย้ํากับพวกเราพวกเรา น่ะเป็นธรรมสัจจะเป็นธรรมนิยามก็หมายความว่ามันมัน ก็ได้ยินแปลกันมานานแล้วว่าเป็นเช่นนั้นเองได้ยินแปลกันมาความจริงเป็นเช่นใดแล้วว่า เมื่อมันเป็นความจริงแล้วมันเป็นเองเป็นความจริงๆ สีนั้นตัวเราเป็นแล้วปกติสีเกิดแล้วจริงแล้วเป็นเองตัวเราไม่ต้องไประวังเราเป็นมันเป็นเองเป็นเห็นสัตว์ พอสัมผัสไม่ๆแล้ว 6 วันๆคนที่จะไม่ค่อยฉลาดน่ะเรา พออาตมาแม่นะพูดภาษาไทยจริงๆก็คือคนไทย ซึ่งใกล้เคียงกันมากนะฟัง นะเรื่องฟังไปดีๆ1 ดีๆแทนกับ นี่น่ะเราแปลปกติโดยไม่มีเหตุปัจจัยไม่จี้ทําร้ายมันก็ทํา ศีลแปลว่าปกติเป็นการแปลคําจบนะศีลแปลว่าปกติ สรูปสรูปยอดกิมัตถิยสูตรน่ะนะอะไรกันล่ะพูดคําสุดท้าย ศีลที่เป็นกุศลนะเพราะฉะนั้นปฏิบัติศีลให้ฉลาดฉลาดไม่ใช่ฉลาดศีลเมื่อ คำว่าเป็นปกติเนี่ยเป็นเช่นนั้นแล้วเป็นปกติแล้วเป็นเช่นนั้นเองแล้วไม่ต้องไปทำอีกไม่ต้องไปฝึกอีกได้แล้วเป็นแล้วคำ <เอ อ. S 1> อวิตถปตาไม่แปรเปลี่ยนไม่มีความเป็นโดยประการอื่นไม่เป็นอื่นอื่นไม่มีจากอันนี้แล้วไม่แปรเปลี่ยน อัปเป็นหมายความว่ามันทรงสภาพเดิมอื่น ตัวนี้เพราะเป็นสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งนั้นได้สําคัญอิทัปปัจยตาแต่มันไม่ได้หมายความอยู่ตรงนั้นปลาแปรกันเพราะ มีท่านมองมีท่านพิสุทโธมีท่าน จึงเกิดเป็นตัวพิสูจน์อย่างแท้จริงแท้มีแหละ สรุปแล้วแล้วอาตมาว่าถ้ามีแล้วไม่คนว่า เป็นแต่เพียงว่าอาตมากลัวว่าอาตมาจะทําให้แข็ง โดยเฉพาะในศาสนาพระสมณโคดมพระหลายล้านพระองค์ ใครเคยว่ามีนี่มีอายุยืนนานมีวาระของศาสนานานใครเนี่ย ยังขณะในวาระนี้ถ้าก็เขา <c oughs> ไม่ใช่ใช่ไม่ไม่มีมีน่ามาร้อย <ไหน S 1> เอาสึกอตไวบะลาดทียังพอว่านี่ผ้า มีกำหนดอยู่ 2 ตัวนี่ 1 1 5 นะภัททกัป 5 พระองค์ 4 องค์ วรกับวแหวนลเรือเนี่ย ทีนี้ไม่ใช่ จนกระทั่งไล่ 5,000 ปี 5,000 ปีแค่ 5,000 ปี กับที่มีพระเจ้าเลยเค้าเรียกสุญญกัปยุคที่ วาระวาระที่คนดีที่สุด อาตมาเกิดมาในยุคนี้เกือบๆนะซึ้งจริงเกิดเสียคนไปเลยโอ้ๆๆดีมั้ย<ด> เขาไม่ต้องการแล้วนี่ยังไม่นานนะต้องการแล้วนี่ยังไม่นานนะเพิ่งหลัดหลับมนุษย์ <c oughs> <c oughs> ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ๆ แล้วเราจะเห็นได้ว่าเราโง่จริงๆโง่ไม่ใช่น้อยๆเลยแล้วเค้าก็พยายาม มีคนต่อว่านายทุนนายนั้น เป็นไปเพื่อความตัว แม้ผู้ที่นิพพานได้แล้วแต่ยังไม่ อาตมามีหน้าที่เท่านั้นมีหน้าๆคุณจะรู้เลยมันไม่มีอื่นรู้เลย รัตตปากมันอย่างงั้นน่ะจริงอย่างงั้นน่ะมันเป็นคุณจะรู้งั้นน่ะเป็นยังไง เมื่อวานนี้มีลาบปลาดุกไม่รู้เมื่อวานน่ะ ไม่มีลาภมาล่อไม่มียศโลกียสุขมาล่อไม่ เสริมราภเสริมยศมีนินทามีสิ่งไม่ พูดโลกุตระปลายว่างๆลอยๆๆอะไรไปว่างจิตว่างๆ อาตมาก็ภูมิใจแล้วในโลกนอกนั้นมองออก แล้วเราก็เป็นเป็นเป็นอย่างเงี้ยถ้าเมื่อถึงขั้นว่าตถัตตาอวิธัตตาไม่ ตั้งอกตั้งใจที่จะต้องแหมคิดยิ่ง เอ่อที่จะพูดถึงนั่นก็คือพูดได้ เราไม่ใช่เจ้าของการกาละไม่มีใครเป็น เมื่อเรามีหน้าที่ที่จะดูแลอย่าให้การมันผ่านไปโดยเปล่ามามัน อาตมาผ่านมาถึงวันนี้ ใกล้เวลาแล้วยิ่งเห็นความสําคัญๆเลยมาขณะนี้ขนาด ผู้ที่มาปลูกแต่เราได้ดีเราไม่ได้งมงายและ เออเป็นอย่างที่มา คตะดำเนินดำเนินๆทําให้ๆแล้วๆให้ ที่อาตมาพูดไปๆจริงๆว่าๆ มันไปเฉื่อยกลางถามมันเป็นเรื่องธรรมชาติอย่าง มันมีแรงดึงเนี่ยมันก็พาๆๆ มันก็เลยกลายเป็นเรื่องคอนต้องแบ่งต้อง ก็มันจะไปเหมือนกันไงเรามาจิตคนๆ ขณะมันมีนอกกว่านั้นอีกหาตำราชีวิตมันไม่ใช่ของเล่นนะโรงพวกคุณก็จะรู้สึก อาตมาไม่พูดเล่นหรอกถ้าอาตมาตายไปคน เป็นรอบๆไปคือลักษณะของสัจธรรมนี่นะมันมีรอบๆของ หรือไม่ต้องเรเบียสาลเรวิศวะมาก็ได้พลังงานก็เหมือน อาตมาอยากจะให้ได้อีกสักขนาด อาตมาไม่ได้บอกว่าบอกเนี่ยๆๆว่าเฮ้ย อนาขาครบไม้คางคังมันขาครบ พยายามอ้อเราคุณคุณสมบัติอย่างนี้เนี่ยเป็นเอออย่างนี้ทอมต้นไว้อ่ะนะจริงๆพวกเรานี่แหละลง <ม. S 1> ชะลอบ้าเออเอาให้เนี่ยเราจะตรวจสอบกันแล้วก็ขอให้พวกแล้ว ขนาดพระๆนะแต่ว่าเป็นกลับเป็นธรรมดาพระนน 120 63 เฉลี่ยค่าเฉลี่ยผู้ชาย 63 ไม่มันตายไวกว่าผู้หญิงก็ เอาอะไรมาเป็นเหตุอะไรมาเป็นเหตุฮะความอยากของโลกโลกๆๆ 2 อาตมาบารมีสู้พระพุทธเจ้าไม่ได้เก่งสู้พระพุทธเจ้าไม่ ทำเหมือนเป่าที่หางโอ้โห 80 จะดําๆๆ ให้ทํามันหยุดไม่ได้ไงก็โอ้โหเนี่ยเออ แต่ก็พยายามจะพิสูจน์อิทธิบาทของพระพุทธเจ้าเหมือน แต่ก่อนนี้อาตมายังไม่มีๆถ้าอาตมาปล่อย มันจะเกินได้มากเท่าไหร่ก็ถือเป็นความ คุณแต่ละคนมันเพื่อมนุษยชาติละคนมันเพื่อมนุษยชาติคํา ไม่ได้ไม่ใช่เพิ่งเพิ่งจะพูดแต่เดี๋ยวๆทั้งนั้นน่ะแต่ คาดว่าจะได้ผลว่าจะได้ 2 2 คาดว่า 4, ะ, 4 8 12 ไม่มันไม่ไม่ได้เรื่องอะไรหรอก E mc2 บวก a a เนี่ยคือ abstract a เนี่ยคือ abstract นี่ นำมาทําในส่วน E MC A A ไอ้ๆเราจะได้ขึ้นมาอาตมาถามอีกทีพวกบอก E MC 2 เขาจะเข C เท่ากับง่ายๆเข m เท่า C เท่ากับพลังงานความเทเท a มาบวกเอาเอา เท่าไหร่ก็อยู่ที่แอบสแตรกตัวเนี้ยแต่ละคนเนี่ยออกมาให้ได้เพราะ บอกมาแล้วว่าจะรวมพลกันอยู่ที่ ว่าเราช่วยเขาก็คือเราช่วยช่วย จะได้มั้ยบอกได้ศาสนามากมายเค้า ไปอยู่สวรรค์อยู่ดีและสังคมอยู่รอดเพราะอันนี้เอ้ยเรา แต่ไม่ต้องบอกหรอกพวกเรารู้โอ้ปล่อยมัน คุณไม่ต้องไปทําให้มันลดนานๆเข้ามันก็เฉยเออเพื่อการเกิด เดี๋ยวแล้วมันมีของมันเดี๋ยวมันก็ชินชาเดี๋ยวมันก็เฉยนะมันมันเป็นไปเนี่ย นา 045 อ้าวตกลงเริ่มต้นเข้าหาเนื้อหา เพราะศีลที่เป็นอรหันต์ศีลที่เป็นอรหัตตผลแล้ว ที่ยังไม่สมบูรณ์เพราะศีลที่สมบูรณ์เป็นอรหัตตผลจึงจะ นะพระความเป็นโสดาบันเราจะไล่ไปมี <c oughs> มี 4 5 4 ประการนี่ 4 ประการ ม, 25 โสดาปฏิยังคะสีประการโสดาปฏิยังคะสีประการเป็นชะไหนดูกระคารหาบดิอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้ประกอบได้ความเลื่อมใสอันไม่วันไหวในพระพุทธเจ้าหนึ่งหนึ่งประการแล้วสอง ประกอบที่ความเรื่องสายอันไม่หวัญไว้ในพระธรรมอันที่สองสามประกอบที่ความเรื่องสายอันไม่หวัญไว้ในพระสงสี่อ la อันนี้ยังไม่ใช่อันนี้เป็นอันที่สอง 4 ย่อมหน้า 23 หน้าหน้าแล้วหน้า ข้อที่ 2 อันศีลประการ ทำให้ระงับเวรภัย 5 ประการเวรภัย 5 ประการ 1 2 3 4 5 โสดาปัตติยังก็คือเป็นผู้บริสุทธิ์ในศีลห้าก็คือเป็นผู้บริสุทธิ์ในศีล 5 ก็ 4 น, จ, ด, าง, อย, ย, ๆ, อง, 5 นี่ นะนี่หัวข้อก่อนนะต่อ นะจาก 1 2 1 5 หน้า 23 นี่บอกว่าพระอริยสาวก พระโสดาบันต้องพึงพยากรด้วยตนเองได้จึงจะเป็นพระ นี่คือคําสอนพระพุทธเจ้าว่าว่าอริยสาวกนั้นจะพึงพยากร ปิติวิสัยเอ่อปิติวิสยะ 8 เป็นเตรตแล้วก็อวินิปา เราเป็นพระโสดาบันนี่ท่านแปลทับศัพท์โสตาปันนะ สัมโพธิปรายนะนี่เขาแปลแล้วมันก็ติดต่อกันไปหมดนี่ก็แปลแล้วมันขีมะอ่า คีณ midst holidays คีณd欢 yummy ฮิuc 점 abbas dams wapati wapati wapati wapati utmeitibati utmeitabtati wapati เป็นผู้จะตัดสรุในเบื้องหน้านี่อีกด้วยหนึ่งเป็นผู้ที่ประกอบไว้ด้วยโสดาปฏิยังค่ะสีพ้นภายห้าสีลเป็นปกติห้า 2 8 หลักนรก 4 อีก 4 เป็น 8 คือโสตาปันนะนิยตะแล้วก็ 24 อริยสาวกประกอบด้วยโสดาปัตติยังคะ 4 ประการเป็นไฉน แทงตลอดดีแล้วด้วยน่ะอันนี้ก็หมายความๆนะ ท่านคฤหบดี 20 ล้านนะข้าบดีทั้งนะนี่ <c oughs> ดูกระณะคณะบดีอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำไว้ในใจซึ่งปฏิจจสมุปบาท สิ่งนี้ย่อมเกิดด้วยประการดังนี้นี้ย่อมเกิดคือน่ะก็ไล่ไปเลยปฏิจจสมุปบาท ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งหมดนี้ย่อม สังขารดับก็เลยมาบอกนี่คือสังขารมันก็ วิญญาณก็ไปตัดวิญญาณทั้งแท่งทั้งดุ้นนี่พวก ไม่ใช่เหมาหมดเลยนี้เป็นต้นเนี่ยๆ พระพุทธเจ้าถึงได้เตือนพระว่าพระพุทธเจ้าข้าว่างั้นอืมอย่าพูดอย่างนั้นนะแล้วคุณ ต๋าสึกขนาดนั้นพวกแล้วอ่า ญาณต่อไปอีกในในปฏิจจสมุปบาทนะอ่ะ<น> 3 ทํา 4 ปฏิบัติ โยนิโสแต่โยนิโสมนสิการนะพระบาลีธรรมานุธรรมะปฏิปัตตินะ 4 ธรรมะเนี่ยดูด้วย น่ะเอาแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงเนี่ย ดูกรภิกษุทั้งหลายพระกาลสุดท้ายภิกษุผู้อ่า อริยปัสสิกทาคามีฮะอริยปัสสิกทาคามีพอ 3 เหมือนอ่า 3 อ่าน่ะ ส่งชัดล่างครับได้มาแล้วอ่า มีมากกว่าพระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบที่ นะประโสดาบันก็มีมากของสัญโญ นะ. 3 เนี่ยอีกอันนึงอีก หน้า 32 นะสารีบุตรสูตรหน 8 ที่โสโต ถึงสมาสมาธิชื่อว่าธรรมะเพียงดั่ง Hmm. อืมชื่ออะไรก็ไม่ดีเนาะชื่อโสดาบันดีกว่าเนาะอ่าเป็นโคต อนิสงส์อนิสังสสูตรว่าด้วยอนิสงส์ เขาผู้กระทําที่สุดแห่งทุกข์แล้วก็ แม่ฟังแล้วก็นะและหกเข็นธรรมที่เกิดขึ้นแต่เหตุด้วยดีดูกระพิษุทั้งหลายอันนี้สงค์ในการจะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิปนหกประการนี้อันนี้จะสู่จากอีกนิดหน่อย อนิจจสูตรว่าด้วยฐานะที่มีได้ๆขอ ไม่ชอบสมมติสมัตติสมัตตะและความแน่นอน จักกระทําให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลสกิทาคามีผลเรียกว่าผล อุโบลกคนอันนี้อ่ะอนุโลนี่เป็นเป็นผู้ประกอบด้วย เอ่อจะก้าวสู่ลงสู่ความสมมติแล้วก็จะ ไม่อนุโลกอนุโลนิกายขันติและก็หน้าไมไมไมไมไมไมไม 39รร าง, 3 หน้า 40 อ่าได้แล้วฮะพี่ส่วนใหญ่ถามอะไรที่นอเจอเออนอหนู เอ่อเอาอีกเนี่ยคือเนี่ยเป็นความต่างระหว่างปุถุชนกับอริยชน <c oughs> ออกกําลังนะ 53 นานะ 5 ประการเป็นไฉน 4 เชื่อถืออ่าเชื่อในพระ เห็นอริยสัจ 4 อ่าเห 5 แลนะถ้าแล ยังมีอินทรีย์ 5 57 ดูกะระ 5 เราเรียกอริยสาวกนี้ว่า 59 ดูกระติสุทั้งหลายอินทรีย์ 5 ประการนี้ 5 ประการเป็นไฉน 1 ทุกขินทรีย์ 1 สมมนัสศีลสีๆ เมื่อดูกะระพิสุทนาอินทรีย์ 5 ประการๆพวกนี้นะความ มีมีอุบายอินทรีย์ 5 ประการนี้แลตามความเป็น อ่ามีหมดอ่าๆหลักมีหัวข้อหัวข้อหัวข้อที่ เวลาอาตมาอธิบายก็เปิดหน้านั้นปั๊บ 8 ทั้ง 11 มาดูในนั้น 4 5 4 5 ยาน 7 เป็นตัวสรุปเลยต้องมียานทั้ง 7 อย่าง จากนั้นก็ไม่ต้องห่วงสกิทาก็จะ จากปริยุทธังกิเลสไล่ไปแล้วไปลดๆเลยถ้าพวกเรา มันก็คลุมเครืองมงายมันไม่ชัดเจนแล้วมันจะเอาๆ แล้วก็พูดจะจะต้องมีพรรคพร้อมกันว่าผู้ที่มาอาตมา ตัวใครตัวมันใครตัวมันเอาสําหรับ Tam dai tântrat, la ทั้งหลายจงเกรงว่า